การฟังธรรมะให้มีหลักคือหลักการที่จะปฏิบัติไม่ใช่ฟังเฉยๆจับหลักไม่ได้ใครว่าไงก็ไปตามหมดไม่มีหลัก ม, กมีเจณอันนั้นได้ชื่อว่าไม่มีหลักเราต้องถือมั่นในหลักอันหนึ่งซึ่งพุทธศาสนาของเรามุ่งหมายโดยเฉพาะ คือตัวใจเข้าถึงหลักใจเทศอะไรก็เทศไปถึอไม่หนีจากใจทั้งนั่นธรรมะคงสองพุทธเจ้าเกิดจาใจทั้งหมดเราต้องมุ่งหวังเพื่อเห็นใจของเราพูดถึงเรื่องการปฏิไอพูดถึงเรื่องทำการปฏิบัติ กะเทศถึงเรื่องใจหมายถึงความปฏิบัติเราปฏิบัติเพื่อฝึกหัดจิตใจสำนักจิตใจแห่งเดียวไม่ต้องอะไรอื่นกลยหมดใครจะว่าอะไรก็ตามถถ้าหักหลงถึงใจแลนั้นถูกต้องตามพุทธศาสนาทั้งหมดเราปฏิวเิเราทำมาหากินยงังชีพทุกประการทำมาค้าขาย กติกามที่ก่อนในดังโมทก็เหมือนกันนั่นแหละต้องมุ่งหวังผลประโยชน์ของการกระทำนั้นๆจึงจะมั่นคงจึงจะอุตสาหะวิยะภาคเพียนโดยไม่ท้อถอยเห็นเขาทำก็ทำตามเขาเฉยๆไม่ทราบว่าประโยชน์อะไรมุ่งอะไรนั้นขี้เกียจทำไม่สาเร็จประโยชน์ถ้าหากว่า มีจุดมุ่งหมายจะต้องทําเพื่อไปประโยชน์จริงนั้นนั้นเพื่อประโยชน์เพื่อผลอันนั้นๆัต้องสําเร็จประโยชน์ทุกประการชั้นใดพุทธศาสนาก็ฉช น, นั้นเหมือนกันเราฟังเทศฟังธรรมอบรมศาสนาเราต้องมุ่งหวังความบริสุทธิ์คือหมดจดจากกิเลสพ้นจากทุกทุกข์ทั้งขวงมด อันนั้นความประสงค์ของพุทธศาสนาในทางโลกของเขาทํามาหากินหาเลี้ยงชีพทุกประการทีววิชาทั้งฟวงมดทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเลี้ยงอัตภาธเพื่อเลี้ยงตัวเพื่อเลี้ยงชีวิตลงนั่นมดใครจะทําอะไรก็ทำเถิเพื่อประโยชน์แก่เลี้ยงชีวิตทางนั้นนะ เขบอกว่าพุทธศาสนานี่เห็นแก่ตัวก็จริงเลยดิใครจะไม่เห็นแก่ตัวธรรมะหาเลี้ยงขีของเราดูสิไม่เพื่อตัวแล้วจะไปเพื่อประโยชน์อะไรขั้นตัวไม่มีเราจะไปทําอะไรกระทาให้ให้มีตัวนิดก่อนเลี้ยงตัวซะก่อนข้นตัวไม่มีคือตัวตายแล้วใครจะไปใครจะไปทํากระทาเพื่อประโยชน์ตัวนั่นแ่ะ พุทธศาสนาก็เพื่อประโยชน์ความรู้เข้าใจเรืงตนนั่นเนี่ยชําระตนนั่นเนยการชําระของตนได้แล้วมันหากเป็นไปเองเหรอมันส่วนที่จะเพื่อคนอื่นถ้าผู้เดกเจ้าต้องก่อนชําระตรนเองปฏิบัติชำระตรนเองซะก่อนจนถึงมรรคนิพพานแล้วพุทธริษัททั้งหลาย เกิดจท่าเรื่องใส่คอใจยินดียังค่อยเข้าไปฟังเทศฟังธรรมอบรมตามท่านยิ่งในสันเมรนะผนนิพพานมากมายพระพุทธเจ้านิพพานแล้วสองพันกว่าปีแล้วด้วยอำนาจที่ท่านเห็นแก่ตัวนั่นแหละยังเคยแพร่จนฝานีสนศาสนาพุทธอันพุทธศาสนายังว่ามันต้องเข้าถึงใจเข้าถึงใจแล้ว ทั้งขยายกว้วสวงออกไปนะมันมันเป็นสิีย่อยไปตัางหาอย่างว่ากายกับใจก็หมายความเหมืนใจเสีก่อนแล้วจึงค่อยมีกายทันไม่มีใจแล้วไม่มีกายอกจะเกิดเป็นในคติต่างๆเป็นเทศเป็นทําอะไรต่างๆ เที่ยบุเทวดาอินผมมันต้องมีใจซะก่อน เ, นเป็นเปะเป็นอสุรกายก็ต้องมีใจซะก่อนอันนี้เขาไปสวมเอาเอาตัวใจนะั้นไปสวมเอาร่างกายวันนั้นเข้ามาเป็นตนเปนตัวตัวใจนั้นมันมันยังไม่ตายของนั้นมันตายเป็นเมื่อตายนี่ก็ออกจากร่างกายนี่ออกจากครบอันนี้ก็ไปสู่ครบทนั้น เกิดเป็นเทศเป็นอะไรก็ตามตัวใจนะ่ะเป็นผิดใจมันเปลี่ยนแปลงได้เพื่อเปลี่ยนแปลงร่างกายได้แต่ใจ น, นันนนจ่นตัวเดียวนั่นเนี่ยมันเป็นอะไรอะไรก็ตัวใจอตัวเดียวนั่นเนี่เห็นนั้นเียว่าตัวใจเป็นของน้าคัญใจมีได้ก่เมื่อมีกายเมื่อมีกายก็ต้องขยายออกไปอีกเข้าอะไรมาเป็นกาย เอาธาตุตีคือดินน้ำไปโลห์เป็นกายขยายไปเป็นขันหาเอาตัวใจเราขยายอ้กไปอีกเป็นลูกเวทนาสัญญาทังขาวิ ญ, ญาตขยายไปอีกเป็ น, นจตนะทั้งหกคือตาหูจมูกเลี้งกายใจเอาไปจากใจทั้งนั้นที่ออกไปมากๆแล้ว ตลอดถึงอธิบายแนตะ่แอฟฟิทันะั่อธิบายถึงจิตมีมากมายหลายหลักถ้าออกไปจากใจตัวเนียวจะไหนทั้งเมื่อข้วงข่วงไปแล้วคราวนี้ก็ลืมใจตัวตัวใจก็ลืมเจียขยายอ อ, อ, ออกไปข่วงข่วงก็ลืมไปหละหลงวก็จะอาการอาการของกายนะ้เมื่อหลงอาการกายก็เลย เตอเปิดเปิไปจึงไม่พบใจสักทีถ้าที่จริงใจตัวนั้นเนี่ยมันเป็นตัวหลักทําสมาธิก็หมายถึงใจจิตที่เป็นสมาธิคือจิตเป็นอันหนึ่งเอกรกคาตาจิตจึงค่อยเป็นสมาธิถ้าไม่เป็นเอกราคตาจิตก็ไม่เป็นสมาธิ สำหรับไอ้มรคนิพานก็ขึ้นถึงอะไก็เข้าถึงสมาธิธรรมคือเอกตมาธีธรรมทั้งหลายเป็นอันหนึ่งเป็นอันหนึ่งทั้งหมดไม่มีสองจึงค่อยถึงมรคนิพานเมื่อใจว่างออกไปขยายออกไปอย่างอธิบายมาแล้วอย่ลืมหลัก คันท่าไม่ลืมลกเข้าถึงใจเข้าถึงตัวจริงถึงใจคือตัวจริงทำทั้งหลายอยู่ที่ใจแห่งเดียวอันอธิบายออกไปนั่งกล้องออกไปมากมายหลายอย่างแต่หากว่าเราไม่ลืมใจเข้าถึงใจอยู่เสมอเสมอจึงจะถึงทักทำทั้งหลาย อธิบายไปมากมายาเท่าไรก็ตามจะแสดงไปเท่าไรก็ช่างถึงหัดสมาธิภาวนาก็ตามมากมายหลวงหลายขั้นทาไม่เข้าถึงหนึ่งเมื่อไหรไม่ถึงธรรมเมื่อนั้นถ้าหาเข้าถึงหนึ่งละนั่นเป็นธรรมธรรมะเป็นของอันเดียวมีอันเดียว ไม่หลายไม่หลายอย่างหรอกมีอันเดียวเท่านั้นเน่ยจิตที่มันคิดมันนึกมันปรุงมันแต่งะเป็นอาคารของใจท่านเข้าถึงหนึ่งแล้วเป็นใจส่วนที่มันคิดมันนึกมันปรุงมันแต่งสถาปาตทุกอย่างอนั้นอันนั้นเนี่ยเป็นเป็นจิตขั้นหากเลยถอนนั้นนล้วเสียละนั่นหมดเสียมันก็ยังเหลือใจอันเดียวนั่นแหละเข้าถึงสมาธิ นั่นและเข้าถึงความแท้ทำอะไรอะไรทั้งหมดทำไปเถอะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะคิดในตงคุงแ่งอไะไรก็ตามเถอะถ้าหากมันถูกทำแล้วมันต้องรวมเข้ามามันรวมเข้ามาคือมันมันทอดทิ้งสิ่งทหลายนั้นเมื่อพิจารณาไปพิจารณาไปมันไม่มีที่มันไม่มีที่สุดที่สุด อันนี้คำมันสุดนั่นแหะเป็นธรรมมันมีที่สุดแต่เป็นโลกคำนสุดสิ้นลงไปแล้วมันมันตกลงมาเป็นเอกสตายิตจึงว่าพุทธศาสนานั้นมันต้องเข้ามาถึงจิตคือจิตอันหนึ่งจึงจะถึงมรรคถึงผลถึงในพานพวกท่านทั้งหลายผานการปฏิบัติฝึกหัดทุกสิ่งทุกประการให้สังเกตลองดูผู้ใดฝึกหัดสมาี่แล้วก็ตาม ยังไม่ฝึกั ก, กลองหัดดูก็ได้ถ้าหากว่าเห็นผลในประโยชน์ในการที่ฝึกหัดสมาธินี่คือจิตมันรวมจิตเข้าทั้งหนึ่งแล้วจะขยันหมั่นเพียรพยายามอุตสาหาวิยะไม่ทอถอยอย่างพวกฤๅษีโยคีต่างๆเขาทำเขาทำนั่นเขาเห็นประโยชน์ ในการทาในการในจิตในการที่จิตรวมไม่มีกันวลเขี่ยวของอุตตาศระทธาพยายามทุกสิ่งทุกการอดข่าวอดปราศรภทาทุกอย่างเพื่อสระสิ่งเหล่านั้นทอดเทงว่ดมันเห็นผลประโยชน์ในการที่จิตเข้าไปนั่นหนึ่งู้หัตสมาธิโพนาถ้าหาเกเห็นประโยชน์ตรงนี้แล้ว ไม่เกี่ยวข้องกังวลของภายนอกฮัดสมาธิพานาย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ตนแ้ะคนอื่นดังอธิบายในเดรัจการเช่นนี้วาระทิฏฐิมาครบรอบแห่งวันค่ายวันเกิดอขอจมาอีกวาระหนึ่งที่พวกญาติโยมทั้งหลาย ได้พากานจัดงานขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองอายุที่ล่วงเลยมาแต่ที่สองปีนับว่าเป็นการคิดดีเหมือนกันที่คิดจะเฉลิมฉลองพร้อมเพียงกันในวันนี้การที่ฉลองวันเกิด ที่พากันมาลดน้ำสงน้ำก็ไม่ใช่อื่นไกลอะไรการมาลดสงมันไม่ใช่มันจะงอกงามขึ้นเหมือนกับต้นไม้จะ แ, แท้ที่จริงมันก็เท่าเก่านั่นแหละยิ่งกว่านั่นอีกมันสารุู้ร่วมไปทุกปีทุกวันทุกคืนแต่ทางที่ดีที่สุดนันที่เราพากันมาไปชุมคออมเพียงกันนั่นก็เพื่อว่า จะได้แสดงความสามคัคคีจงดดรักภักดีเคารพนับถือซึ่งกันและซึ่งกันและกันการที่ได้มาพร้อมเพียงกันนี้อาจจะมาขอยินดีอนุทนาด้วยทุกๆคนที่พากันยังมีสุขภาพพราไม้ดียังได้พากันมาถึง ได้พากันมาส่งน้ำได้พากันมาร่วมสามัคคีปองดองแต่ในที่นี้แท้ที่จริงนั้นคนเราเกิดเคนมามันไม่หยุดยัง่งมันไป่หน้าเรื่อยไตมันซุดโฉมเรื่อยไ ป, ยไปการที่จะทำที่จะทวนคืนกลับคืนมาไม่อคนมีหรอแต่ว่าการที่มัน ที่มาไปชุมพวาอมเพียงกันนั่นอ่ะอันที่ดีที่สุดคือมาแสดงความมูทุตาแสดงว่าคารบนับถือยินดีขออนโมทนาด้วยอายุวั น, นะที่เป็นมาถึงป่านี้อันนั้นได้ชื่อว่าเป็นความดีของเราในที่นี้อันที่จะให้มันกลับคืนมามันไม่มีหรอก ทุกๆคนนะ่ะทุกคนนะ่ะเหมือนกันหมดนี่จะไปหน้าทางนั้นเนะี่ยคําว่าแก่แก่คือพระอิสานภาษาภาะอิสณ์นั่นคือลากไปเห็นไปนั่นเองคําว่าแก่ในทีน่นี้อายุแก่หรือคนแก่นั่นคือลากไปเห็นไปไปหาที่สุดนั่นเองทันอาตมาที่ลากเห็นมานี่ก็ หลายปีแล้วแสนทุเรศทุลักทุเรศเต็มขีดกินอากขเสียนมาถึงป่านนี้ที่อยู่ได้ปานนี้ก็เพราะเหตุที่ความพยายามทุกวิถีทางแท้ที่จริงทุกทุกคนเกิดขึ้นมาได้ยืมได้ชื่อว่ายืมของเขามาเกิดยืมของเขามาแก่ยืมของเขามาเจ็บ ม, มาตาย คือทุกคนแม่เป็นของตนทางนั้นมันภาพลาร่างกายเป็นของสาธนะทั่วไปอย่างคนเมื่อเกิดมันจิตใจนั่นเป็นของไม่มีสาระมันสร่างกายมีของสาระจิตใจนั่นเป็นผู้นําเมื่อเกิดขันหาชีวิตยังมีอยังชีวิตไอ้จิตใจยังมีอยู่มันก็ไปสวมเอาร่างกาย แต่ระพบระชาตินั้นจะเป็นคนเป็นสัตว์ที่เลียขานได้ก็ตามเถิดนั่นก็ไปช่วยระยะหนึ่งได้ก่ดับโูนสิส้นไปเพราะเรายืมหนี้เพราะเรยืมเข้ามาใช้ทุกวันนี่เราใช้หนี้มันดินน้ำไฟลมเป็นของประจําโลกนี่อยู่แต่ไหนแต่ใดมาเราไปเอามาเกิดมาเป็นคน เมื่อเป็นคนขึ้นมาแล้วจําเป็นจะต้องเลี้ยงชีวิตก็ต้องไปเอาดินน้ําไป่ลมนอ่นมาเลี้ยงอีกสิ่งสารพัทดทั้งสวงมดที่อามาหล่อเลี้ยงร่างกายนี่ก็ดินน้ําไป่ลมทั้งนั้นแต่ว่าแสบผ้าไปเป็นอาหารเป็นหรือเป็นผลไม้เป็นอาหารการกินทุกสิ่งทุกประการนั้นแสบผ้าไปอัตมาบอกว่า นี่ได้ชื่อว่าเราใช้หนี้เขาทุกๆคนใช้นี่เขาทุกวันทุกวันจนกลัวจะสิ้นชีวิตความเป็นจริงนั่นนี่อันนี้นะ่ะไม่นจะมีใครเรียกหรอกแต่หากเราต้องการใช้แต่ว่าเราต้องการใช้ของมันเราใช้ชีวิตให้เป็นอยู่นั่นคือว่าใช้หนี้ของเขา การที่จะให้ใช้หนี้ได้นั้นเพราะเหตุที่เราทําดีหนี้สีนยิ่งจะค่อยเบาบางใส่ทั้งเกิดขึ้นมาแล้วใช้หนี้ใช้ศีนเขาโดยเหตุที่ประพฤติผิดผิดศุจริตต่างๆทิศาพยาบาทเอียดเดียนซึ่งกำเนิดกันนั่นยิ่งหนี้หนักเข้าไปวกว่าเก่าถ้าหากใครประพฤติศุจริตตามหน้าที่ของตน ทุกๆคนนี่จะค่อยเวาบางลงไปในคนที่สุดถ้าทำอย่างนี้ต่อไปก็จะถึงที่สุดแห่งควางบนทุกเหตุนั้นทุกๆคนจงอย่าพากระมาดให้เข้าใจว่าตนใช่นี่ขาทุกวันแล้วก็พอกอนเท่านั้น